คจากสวิตเซแลนด์นะคะแล้วท่านก็แนะนำว่าให้พยายามไปปลีกวีเว่ยเสร็จแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปปลีกวเว่ที่ถําเชียนดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็กลับมาก็เจริญมรณาโรคสติกลับมาก็ได้เรื่องเลยนะคะทำบอลลูนสเตนที่โรงพยาบาลพยาไทศิลอาชขึ้นออกมาเมื่อวาน ด้วยความสบายใจอา่อาอ่ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนล่นอยนู่เนาเข้าเข้าอู่ซ่อมอซ่อมได้ก็ซ่อมไปอา่าถ้ามันจะไปได้มันไปห้ามมันไม่ได้่นะถ้าถ้าปล่อยมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปห่วงมันก็จะทุกข์อา่าเดี๋ยวมันต้องไปทุกคนแหละ ให้มันไปถ้ามันถึงเวลาก็ไปเราทาใจให้สงบแล้วไม่มีปัญหาเลยอยู่ที่เมืองไหนที่สวิอยู่ที่ออเตทางไหนาจากาจากริประมาณนาทีอ่ไปทางเหนือทางใต้ทางเหนือูริตรปาออสเตรียเปล่าบาเซิลองเเยมาอ่ เมืองเงียบดีเลยอยู่เวเว่นใกล้เมือเปรกเว่เวกันแล้วอ่ทำปฏิบัติอยู่ยทีท่ บ, ทบ้านแล้วฝากท่านตอน9ก้าโมงเชา้าที่ในสองโมงที่นั้น9ก้าโมงพอพอแอดมินบอกว่ามา YouTube ทำไม่ค่อยเป็นน ะ, ะไม่ค่อยเกง่งไม่เกง่งแต่ว่าพยายามขานถ้ามีโปรแกรม YouTube ก็เปิดเข้าไปแล้วก็สอนคำว่าพรสุชาตมันก็เปิดได้แนละ แล้วจะกลับอะไรจะกลับันที่25ไม่25ก็กะว่าเอ่อยังมีพวกแข็งแรงแล้วอาจจะไปปิดิวิ่อยอีกชอบชอบกาเป้าหมายของการศึกษาการปฏิบัติก็เพื่อสร้างความสงบสร้างสันติสุข ตอนนี้ใจเราเหมือนอยู่ในสงครามทำสงครามกับทุกคนเจอใครเป็นกัดกันหมดไม่มีความไม่สมีสันติมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเพราะความต้องการไม่มีขอบเขตเราต้องการอะไรก็ไปหาพอไปหาก็ไปเจอคนที่ต้องการของ เหมือนกันก็แย่งกันแข่งขันกัน ต, ตอนนี้ไปบราซิลไปแข่งขันเอาเหรียญกันไปแข่งขันเอาเหลีย น, น, นเอายศเอายศละเสริญเอารากถ้าใครได้เหรียญทองก็ได้ล้านหลายล้านได้ลาบเหรียญทองก็คือยศเกียรติยศสารเสิร์ คนทั่วประเทศชื่นชมยินดีดีออกดีใจ <c oughs> นี่ก็ยังเป็นการแข่งขันที่มีกฎมีกติกาแต่บางทีก็มีการทำผิดกฎกติกามีการแอบไปฉีดยาเติมพลัง จะได้มีกำลังมากกว่าคนอื่นก็เกิดการวิภาควิจารเกิดการต่อว่าต่อขานกันมีเรื่องมีราวกันแล้วถ้าอย่างอื่นที่ไม่มีกฎไม่มีกติกาก็แล้วแต่ใครมีกำลังมากกว่า ทุกวันนี้ที่เรามีเรื่องมีราวกันเขาพอใจของพวกเราไม่มีธรรมไม่มีความสงบมีแต่ความอยากความต้องการก็เลต้องไปแก่งแย่งชิงดีกันไปต่อสู้กันไปทำสงครามกันแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอ ได้ก็อยากจะได้ไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆได้คืบก็อยากได้สอกได้สอกก็อยากได้วาได้วาก็อยากจะได้เป็นร้อยวาพันวาก็ขยายอนณาเขตไปเรื่อยๆขยายกิจการไปเรื่อยๆเมื่ช้ามีลูกเสรคนหนึ่งมาทำบุญเคยมาบวชที่นี่ ตอนที่ยังหนุ่มอายุยี่สิบอันนี้ไปเปิดร้านขายยาถาว่ากิจการดีไหมอันนี้มีเก้าสาขาแล้วก็ให้พรว่าขอให้ได้แัเก้าสิบสาขาให้มันมีทั่วจังหวัดไปเลยเขาก็ดีใจแทนที่บอกผมพอแล้วผมไม่ไหวแล้วกลับเอาข้เก้าสิ0เอา เราถาเป็นดูแลไหวเลยไหว้นมีนี่คือความอยากความโลภได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเราจรึงได้เอาธรรมของอุธเจ้ามาเบรกความอยากความโลภคือการเจริญมรณานุสติ เมื่อกี้นี้ญาติโยมท่านึ่งคุณใบเงิ น, นบอกว่าไปเข้าโรงพยาบาลไปขยายเส้นเลือดหัวใจอุดตันแต่แกบอกแกได้เจริญมรนานนุกสติอยู่เรื่อยๆแกก็เลยไม่ไม่ไมทุกไม่วุ่นวายใจใจสงบใจไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย พอใจไม่ได้เป็นร่างกายนี่คือปัญหาหลักของพวกเราปัญหาหลักก็คือความหลงเห็นกองจับเป็นดอกบัวเห็นร่างกายเป็นดอกบัวเห็นร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ความจริงร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเรา เราจึงไปทุกข์กับร่างกายโดยใช่เหตุทุกข์ไปร่างกายก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์มันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมทุกข์เพราะความอยากความต้องการอยากมีร่างกายอยู่ไปนานๆพราะเราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปทําตามความอยากต่างๆ ไปหสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อมาให้ความสุขกับเราซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นกลับมองไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์เพราะมันให้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเวลามันจากไปมันก็ให้ความทุกข์กับเราหรืออยากแล้วไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความเสียใจ ได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับความหวงทุกข์กับความห่วงใยมีแต่หาความทุกข์ประใสตนเองโดยไม่รู้สึกตัวอย่างตอนนี้พวกที่ไปแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยก็จะต้องมีคนทุกข์มีคนเสียใจมีคนผิดหวังกัน เพาไม่ได้เหรียไม่ได้รางวัลพวกเรานี่ไม่ได้ไปไม่ได้เสียใจเฉยๆเพราะเราไม่ได้มีความอยากจะได้เหรียอยากจะได้รางวัลพอความอย า, อยากอยู่กับใครแล้วความอยากก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษา ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นะคือความสงบของใจเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์แต่ความสุขอย่างอื่ในโลกนี้มีความทุกข์แถมมาด้วยได้อะไรมาแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาเสมอ พาเวลาสิ่งที่ได้มาเปลี่ยนไปเสื่อมไปหรือหมดไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาเช่นเราได้ร่างกายมาเวลาเกิดนี่ดีใจกันใหญ่โอ้ได้ร่างกายได้ลูกโตขึ้นจะได้มีความสุขโตขึ้นจะได้มีลาบยศสรรเสริญ แต่ไม่คิดว่าร่างกายนี้มันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันทรมานจะตายไป <c oughs> แต่ก็ไม่มองมองไม่เห็นเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เรามีความสุขทำให้เราไปมีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายกัน อันนี้ก็ไม่มีธรรมะมองไม่เห็นความเสื่อมเรามักจะมองเห็นแต่ความเจริญเห็นอะไรนี้ก็จะเห็นแต่มันจะเจริญอย่างเดียวเห็นเงินก็คิดว่าจะเจริญจะได้มาเรื่อยเืย่เห็นยศก็จะเห็นว่ามันเจริญขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจากในสิบก็เป็นในร้อยจากในร้อยก็เป็นในพันแต่ไม่มองว่าตอนที่มันอายุหกสิบแล้วมันก็หายไปหมด ดีเพราะไม่มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามองตอนจบของชีวิตอย่าไปมองตอนเริ่มต้นมองตอนเริ่มต้นมันก็จะมองแต่ความเจริญให้ไปมองตอนจบตอนที่มันตายเราจะได้เห็นว่าความสุขต่างๆสิ่งต่างๆ ที่พยายามหามาแทบเป็นแทบตายในที่สุดก็หายไปหมดเวลาร่างกายตายไปก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็หมดมีเหรียญทองโอลิมปิกกี่เหรียญมันก็หมดมีคนสรรเสริญเยินยอมากน้อยเท่าไหรก็หมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย มีแต่ความทุกข์เวลาที่ต้องจากสิ่งต่างๆไปถ้าเรานึกถึงความตายเราก็จะได้หดหดความอยากความอยากจะหดความโลภจะหดถ้าไปหาหมอวันนี้แล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนี mm ่ hmm. เหลืออีกสามเดือนนี่ยังอยากจะโลภอยากได้อะไรก็ก่า ยังอยากได้ราบยศรสรรเสริญอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยอยากจะได้ความสงบแนละ้วเพราะเห็นว่าความสงบนี่แหละเป็นที่พึ่งทางใจได้เวลาร่างกายตายเราพึ่งร่างกายไม่ได้ไปพึ่งร่างกายก็จะวุ่นวายใจเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้จะไป เที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้ก่คนเป็นโรคมะเร็งนี่จะตายนี่ไม่มีจะกระจิตกระใยที่อยากจะไปไหนอยากจะหาความสงบฉะนั้นขอให้เรานึกถึงตอนที่เราจะต้องไปหาหมอแล้วได้คำตอบจากหมอว่าเป็นมะเร็งเราจะได้เตรียมตัวหาที่พึ่งกันตั้งแต่ตอนนี้ เพราะถ้ามีที่พึ่งตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราก็จะสบายเพราะถึงแม้ว่ายังไม่ตายเราก็จะสบายไม่เดือดร้อนตอนนี้เราไม่มีที่พึ่งถึงแม้ว่ายังไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายเพียงแต่คิดถึงมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมานะเราจึงไม่อยากจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกัน พอคิดแล้วทำให้เราหดหูใจไม่สบายใจแต่ที่ยิ่งไม่คิดมันก็ยิ่งหลงใหญ่มันก็ยิ่งเร็มันก็จะไม่มาหาความสงบกันถ้าคิดแล้วมีความหดหูใจก็จะได้รู้ว่าความหดหูใจนี้เราสามารถทำให้มันหายไปได้ถ้าเรามาทำใจให้สงบกัน มาเข้าวัดมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาทำใจให้สงบกันพอใจสงบแล้วพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่จะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยแล้วจะไม่หดหูใจถ้าถ้ามีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่มีใครยับยัง้งไม่มีใครห้ามมันได้ถึงเวลาแล้วต้องไปกันทุกคนไปชา้าไปเร็วไปก่อนไปหลังต่างกันแค่ตรงนี้แต่ไปด้วยกันทุกคน คนที่ปล่อยวางคนที่มีใจสงบก็จะไม่ทุกข์กับการไปของร่างกายคนที่ปล่อยวางไม่ได้คนที่หลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะไปด้วยความทุกข์ใจทรมานใจก่อนจะไปก็ทุกข์ทรมานใจขณะที่ไปก็ทุกข์ทรมานใจ ไปแล้วก็ไปไม่ดีไปสู่ที่ไม่ดีที่มีที่มีความทุกข์ทรมานใจก็เรียกว่านรกเองหรืออบายถ้าไปอย่างสงบไปอย่างสบายก็เรียกว่าสวรรค์เรียกว่านิพานอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถเลือกไปกันได้ จะเลือกไปทางทุกหรือจะเลือกไปทางสุขอยู่ที่การปล่อยวางหรือไม่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเราถ้ารู้ว่าต้องจากกันแล้วปล่อยวางได้เวลาไปก็จะรู้สึกเฉย รู้สึกสบายไม่ทุกข์ถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็จะทุกข์จะทรมานใจหน้าที่ของเราในขณะที่ยังไม่ตายก็คือมาหัดปล่อยวางกันหัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรกันอยู่แบบพระอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันตสาว ให้อยู่แบบไม่มีอะไรให้อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวเอาความสงบเป็นที่พึ่งอย่าเอาลาบยศสนเสริญอย่าเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่พึ่งอย่าเอาร่างกายเป็นที่พึ่งเอาความสงบเอาทำที่จะทําให้ใจสงบเป็นที่พึ่งใจจะสงบได้ต้องมีธรรม ต้องมีศีลมีศีลธรรมมีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมนี่คือธรรมที่จะทำให้ใจสงบใจสงบแล้วใจจะสบายไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนดีกว่ามีอะไรสิอีกมีแล้วก็วุ่นวายกับสิ่งที่มีเพราะมันต้องมีการดูแลรักษา มีการอาคอยไป เ, เก็บคอยไปซ่อมคอยไปทำอะไรต่างๆ<_ <EN> _>เพราะของมันย่อมเสื่อมไปตามธรรมดาตามการตามเวลาของดีขนาดไหนใหม่ขนาดไหนใช้ไปมันก็ต้องเก่าแล้วมันก็ต้องเสื่อมแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสีย เสียก็ต้องซ่อมถ้ายัางต้องกรถ้ายัางต้องใช้มันอยู่นี่คือความทุกข์ที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆได้รับมาก็ต้องรักษาลาบได้ยศมาก็ต้องรักษายศได้สรรเสริญก็ต้องรักษาสารรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องรักษาต้องคอยเติมอยู่เรื่อย พอดูอะไรจบความสุขที่ได้จากการดูก็หมดไปก็ต้องหาสิ่งใหม่มาดูเพื่อจะได้เติมความสุขใหม่จากการดูได้ยินอะไรได้ฟังอะไรพอฟังเสร็จมันก็หมดไปก็ต้องหามาฟังอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็จะเครียดขึ้ น, นมาจงหงุดหงิดลำคาญใจ อยู่เฉยๆไม่เป็นสุขอยู่ไม่ได้ต้องมีที่พึ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีราบยศสรรเสริมมีมากเพียงไรก็ไม่พอต้องมีเพิ่มอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขเวลาไม่ได้เป็นนายสิบพอได้เป็นนายสิบก็ดีใจพอเป็นนายสิบไปสักพักหนึ่งชักจะไม่พอใจแลนะอยากจะได้เป็นนายลอยแล้ว ถึงจะมีความสุขพอได้เป็นนายน้อนแล้วก็ไม่พอใจเองแล้วอยากจะเป็นนายพันมันก็จะอยากไปเรื่อยๆได้เงินมาเท่าไหร่ก็ดีใจตอนที่ได้มาใหม่ๆพอได้ไปสักพักแล้วก็เดี๋ยวก็อยากจะได้เพิ่มนะนี่คือความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยาก เราให้ได้มามากน้อยเพียงไรความอยากก็ยังไม่พอความพอใจก็ยังไม่พอเพราะมันยังมีความอยากอ ย, กอยู่ยังมีเก้าล้านแนละ้วบอกให้ได้เก้าสิบล้านก็อยากจะเอานี่เดี๋ยวอาจจะไปวางแผนนั่นนี่หลวงพ่อให้พอแล้วเดี๋ยวไปดูสถานที่ที่จะขยายสาขานะ ได้มาก็เท่านั้นอ่ะดีใจเดียวเดียวแล้กลเงินที่ได้มามากๆมาใช้แบบฟุ่มเฟือยบ้านแทนที่จะอยู่ล้านลล้านก็ต้องเปลี่ยนเป็นสิบล้านรถใช้คันละล้านก็ต้องเปลี่ยนเป็นห้าล้านสิบล้านเพราะมันมีเงินใช้น่ะไม่รู้จะใช้ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไระก็ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ใช้แล้วก็ติดนต่อไปเวลาไม่มีเงินทํามาใช้รถราคาล้านหนึ่งก็ใช้ไม่ได้นะไม่สบายใจนะคนที่ไม่มีรถนี่พอได้รถคันละล้านนี่ดีใจแทบตายแต่คนที่เคยใช้รถสิบล้านแล้วต้องมาใช้รถราคาล้านนี่กลับเสียใจรถราคาล้านหนึ่งเตาะให้กับคนหนึ่งกับดีใจให้คนหนึ่งกับเสียใจ นี่คือความหลงเนี่ยมันจะหลอกให้เราไปหาสิ่งต่างๆที่ว่ายิ่งได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งมีความสุขมากเทั้นั้นแต่มันเป็นความสุขปลอมความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังพอความสุขปลอมจางหายไปก็มีแต่ความทุกข์ เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปหาลาบยศสารเสงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายเพราะมันเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่หาความสุข <c oughs> ทุกวันนี้คนเราที่ทุกข์กันก็ทุกข์กับเรื่องอะไรก็ทุกข์กับเรื่องลาบยศสารเสงทุกข์กับลูกเรื่องลูกเสียงกลิ่นรถนี้ทั้งนั้นพอเงินไม่อมอพอใช้ก็ทุกข์แล้ว ทำไมจะไม่พอใช้เพราะมันใช้เกินมันไม่ต้องใช้มากมายขนาดนั้นก็อยู่ได้แต่มันมันห้ามใจไม่ได้สมัยเริ่มแรกๆมีเงินเดือนน้อยๆทำไมอยู่ได้พอมีมากขึ้นทำไมไม่ใช้แบบเดิมทำไมต้องขยายถ้าใช้ใจ่ายมันมากขึ้นไปรายได้มากเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายก็ขยายตัวตามรายได้ เพราะความหลงคิดว่าได้ใช้มากแล้วจะมีความสุขมากขึ้นแต่พอเงินไม่พอใช้ขึ้นมาพอรายได้ตกก็จะเดือดร้อนกันนะเห็นไหมบริษัททุกบริษัทเนี่ยมีปัญหามีแต่ต้องขึ้นค่าเงินเดือนลดลดเงินเดือนไม่ได้พอลดเงินเดือนแล้วมีเรื่องขึ้นมาทันที <c oughs> ต้องขึ้นเงินเดือนอย่างเดียว ถึงจะเอาคนงานอยู่ได้พอลดเงินเดือนเดี๋ยวคนเนี้ยคนงานก็ลาออกกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ทางานดีกว่าหาที่ที่มันมีรายได้มากกว่า <c oughs> คนเราเนี่ยทุกวันเนี้ยมันไปผิดทางกันไปทางทุกข์กันแทนที่จะไปทางสุขกัน ต้องมีพระพุทธเจ้ามาเป็นคนเป็นจราจรบอกทางว่าทางนี้ไปไม่ได้ไปแล้วตกเขล์อย่าไปให้ไปอีกทางหนึ่งแต่ก็ไม่เชื่ อ, อยอมตกเขลกันไปตกเขลกันอยู่ด้วยให้ไปทางนี้ทางที่สบายไม่ไปกันให้ไปทางศีลสมาธิปัญญา ให้ไ ป, ไปรักษาศีลกันอย่าทำบาททำกรรมให้ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เจริญปัญญาเพื่อจะได้มาทำลายสิ่งที่ทำให้ความสงบหายไป mm hmm. ก็คือความอยากต่างๆให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นข้าศึกศัตรูของเรา ไม่มีใครมาทําให้เราทุกข์ได้นอกจากความอยากของเราเองเราให้คนอื่นมาฆ่าเราเราก็จะไม่ทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีความอยากอยู่ไม่มีความอยากไม่ตายการอยากจะฆ่านี้เราจะไม่ทุกข์เลย <c oughs> เหมือนคนที่อยากจะฆ่าตัวตายนี่ <c oughs> เวลาเขาถูกฆ่านี้เขาไม่ทุกข์เลยเพราะเขาอยากจะตายอยู่แล้ว ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันไม่ใช่คนที่มาฆ่าเราถ้าเราไม่ได้มีความอยากจะอยู่ไม่มีความอยากไม่ตายใครจะมาฆ่าเรามันก็ไม่มีไม่มีผลอะไรกับจิตใจของเราจิตใจของเราเฉยๆร่างกายจะอยู่จะตายเท่ากัน ถ้ามีความอยากแล้วมันไม่เฉยล่ะถ้ามีความอยากอ ย, กอยู่เวลาจะตายนี่ก็จะต่อสู้จะหนีจะหาวิธีรักษาชีวิตนี้ไว้ให้ได้ก็จะทุกข์เพราะเพราะเวลามันจะหนีสิ่งที่หนีไม่ได้นี่มันทุกข์มากเนี่ย <c oughs> ข้าศึกศัตรูของเราไม่ใช่ สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่บุคคลต่างๆถ้าศึกษัตูตัวที่ทาให้เรา <c oughs> เสียอกเสียใจร้องหมร้องไห้ทาใหเราหวาดกลัวทาใหเราวุ่นวายใจนี้ก็คือความอยากของเรานี่เองไม่มีอะไรหรอกที่มาทำให้เราทุกข์กันวุ่นวายใจกันความอยากของเราทั้งนั้นเลย ถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยจะสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไปก็ไม่เดือดร้อนดูพระพุทธเจ้าเคยเป็นพระราชกุมารมีลาบยศสรรเสริญสุขของราชกุมารพอออกบวชนี่ก็สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขของราชกุมารไปไม่เดือดร้อนเลยกับสบาย ขอทานเห็นเสื้อผ้าสวยงามขอแลกก็ยอมแกลกเวลาเสด็จออกจากวังไปจะไปบวชนี่ไปเดินไปเจอไปเจอขอทานขอทานเห็นสายเสื้อผ้าสวยอยากจะได้ขอเปลี่ยนอา้าวท่านก็เอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามัน ไ, ไม่ทาให้ท่านสุขมีเสื้อผ้าดีกลับเป็นอันตราย เดี๋ยวถ้าเขาไม่ขอเขาก็ต้องมาจี้เราอยู่ดีหรือถ้าเวลาเราเสือนอนหลับเขาก็มาทุบหัวเราฆ่าเราตายเพื่อจะเอาเสื้อผ้าที่สวยงามของเราไปเห็นให้เขาไปดีกว่าเอาเสื้อผ้าข อ, ของขอทานมาใส่แล้วสบายไม่มีใครมาบ่นมาจี้อย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี่ไปทุ่งในป่าได้เพราะไม่มีอะไรไปไม่มีของไม่มีสมบัติติดตัวไป แต่ญาติโยมนี้ไม่กล้าไปในป่าในเขาคนเดียวเพราะว่ากลัวจะถูกป้อนถูกจี้ถูกทำร้ายเพราะอย่างน้อยญาติโยมก็ต้องมีอะไรมีค่านะต้องมีเงินติดตัวไปแนละ้วต้องมีมือถือมีอะไรไปของผ้านี่มีแค่บาทใบเดียวไม่รู้มันจะเอาไปทไําไรเอาไปมันก็ไปขอ มินทบาทไม่ได้ชาวบ้านจะตีหัวเไปอุ้มบาทคอนี่แหละขอมีอะไรแล้วมันจะเป็นภัยกับเราไม่ได้เป็นประโยชน์กับเรามีสมบัติก็มีคนอยากจะมาฉกเชิงนี้จากเราไปมีตําแหน่งก็มีคนอยากจะแย่งไปมีแฟนสวยๆก็มีคนอยากจะเอาไป นี่คือความทุกข์ที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆเราจะได้มีแสงสว่างบอกทางว่าทางที่ถูกทางที่กวนไปคือทางของศีลสมาธิปัญญารักษาศีลกันอตอนต้นก็นรักษาศีลห้าก่อน แต่ต่อไปต้องรักษาศีลแปดถึงจะไปนั่งสมาธิได้ถ้ารักษาศีลห้านี้มันนั่งสมาธิไม่ไม่ได้เพราะมันจะหลับมันจะไม่มีเวลานั่ง <c oughs> ถือศีลห้าเดี๋ยวถึงเวลาดูละครก็ไปนั่งดูละครแทนที่จะไปนั่งสมาธิแต่ถ้าถือศีลแปดก็ดูละครไม่ได้ เวลาดูละครจะได้ไปนั่งดูนั่งนั่งสมาธิแทนเวลาจะไปนอนกับแฟนก็ไปไม่ได้ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมแทนเ <c oughs> นี่ยรักษาศีลเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนศีลห้าก็ดีทำให้เราไม่ต้องมีเรื่องมีราวกับใครถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมีราวไปรักขโมยเทอา เวนีเดี๋ยวก็ถูกสามีถูกภรรยาเข้ามาไล่ตียงไปโกหกหลอกลวง <c oughs> ก็ต้องคอยหลบเขา <c oughs> ถ้าไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครใจก็จะไม่วุ่นวายทำให้นั่งสมาธิง่ายนั่งง่ายกว่าใจที่ไม่วุ่นวาย ใจง่ายกว่าใจที่วุ่นวายใจไม่วุ่นวายนั่งแล้วง่ายสงบง่ายกว่าใจที่วุ่นวายแต่ก็ยังไม่มีเวลามานั่งเพราะจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนแต่ถ้ามาถือศี 8, แลแปดเราก็ต้องตัดกิจกรรมต่างๆไปจะไปดูหนังดูละครกไมเวลาไปกินเลี้ยงไปงานวัน วันเกิดงานแต่งงานอะไรที่ไหนก็ไปไม่ได้จะไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็ไปไม่ได้ต้องอยู่ที่เงียบๆอยู่คนเดียวจะได้มีเวลานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้มีเวลาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเป็น เป็นปัญหาอะไรไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือความอยากที่เราต้องคอยกำจัดให้หมดไปวิธีกำจัดความอยากก็คืออยากไปทำตามความอยากเวลาอยากดูหนังก็ไปนั่งดนั่งสมาธิแทนพอนั่งสมาธิก็ไม่ได้ทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดไป แลนั่งสมาธินี้ได้ความสุขมากกว่าได้จากการดูหนังเห็นนั่งสมาธิดีกว่าได้ความสุขมากกว่าแล้วก็ไม่มีความอยากต่อไปก็ไม่มีอยากไม่ก็มีไม่มีความอยากจะดูหนังไม่มีความอยากจะดูละครนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องทำอะไรเมื่อไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ต้องมีกัน ที่ต้องมีเงินเพราะว่าต้องทำนู่นทำนี่กันต้องซื้อนั่นซื้อนี่ต้องมี น, นั่นมีนี่กันถึงต้องมีเงินพอต้องมีเงินก็ต้องไปทำงานพ อ, อไปทำงานก็จะไม่มีเวลามารักษาศีลไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันจากนั้นเราต้องเลิกใช้เงิน ถือสินแปดแล้วไม่ต้องใช้เงินใช้แค่เฉพาะค่าอาหารเท่านั้นเองกินอาหารหวันละมื้อก็พอถือสินแปดกินอาหารมื้อเดียวกินมากก็ทำให้ง่วงทำให้ขี้เกียจไม่อยากจะนั่งสมาธิการนั่งแล้วก็หลับนี่คือวิธีหาความสุขหาที่พึ่งที่แท้จริงคือความสงบมารักษาศีล ห้าสิบแปดกันมานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วจะเกิดปัญญาจะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองการหยุดความอยากก็คือการนั่งสมาธิเวลาอยากทําอะไรก็ไปนั่งสมาธิเสียเดี๋ยวต่อไปความอยากก็หมดไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา ไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับเราต่อให้มีความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีความทุกข์เพราะเราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้ไม่เดือดร้อนนี่คือธรรมะที่พวกเรามาศึกษามาฟังกันแล้วนำเอาไปปฏิบัติ เอาไปสามข้อเนี้ยพอละศีลสมาธิปัญญาสร้างศีลขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วความทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปปัญหาทั้งหลายจะหมดไปความอยากทั้งหลายจะหมดไปจะเหลืออยู่แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีเงินทองก็ยังสุขก็สุขเหมือนเดิม ไม่มีราบยศสันทรเสริญไม่มีรูปเสียงเก่นินดก็สุขเหมือนเดิมเพราะไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขใช้ศีสมาธิปัญญาสร้างความสงบขึ้นมาพอมีความสงบแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรตายไปก็ไม่เดือดร้อนเวลาจะตายก็ไม่เดือดร้อนเวลาอยู่ก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนกับใครทั้งนั้น ใครจะเป็นอะไรใครจะทาอะไรไม่ใช่เรื่องของเราเท่าหน่อย <Yeah. S 1> เราไปยุ่งกับเขาเองไปอยากกับเขาเองอยากให้เขาเป็นเองพอเขาไม่เป็นก็เสียใจโกรธ <Yeah. S 1> ความอยากมันพาให้เราไปหาความทุกข์เข้ามาใส่ใจเราตลอดเวลา mm hmm. ทุกข์กับทุกเรื่องพออยากเรื่องไหนก็ต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทันที mm hmm. นะเพราะฉะนั้นขอให้เรามาสร้างความสงบกันเพราะความสงบนี้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นราบยศสรรเสริญสุขที่แท้จริงมีความสงบแล้วดีกว่ามีราบยศสรรเสริญสุขแล้วก็จะมีอยู่กับเราไปตลอด เวลาร่างกายตายไปความสงบนี้ก็ยังอยู่กับเราต่อไปเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจความสุขก็อยู่ที่ใจความสุขความสงบนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปความสงบไม่ได้หายไปกับร่างกายความสงบอยู่กับใจต่อไปเพราะใจไม่มีวันตายเราอยู่ที่ใจเราก็จะไม่มีวันตาย เราก็จะอยู่กับความสงบไปตลอดเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านก็ยังอยู่กับความสงบอยู่ท่านอยู่อย่างสบายถ้าท่านไม่มีธรรมตอนนี้ท่านก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแล้วก็ต้องมาทุกข์เหมือนพวกเราแต่ท่านมีธรรมท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาท่านเลยไม่ต้องมาเกิดเหมือนพวกเราแต่ท่านก็ยังอยู่เหมือนพวกเราอยู่อยู่แบบไม่มีร่างกายเท่านั้นเอง พวกเราอยู่แบบมีร่างกายพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกอยู่แบบไม่มีร่างกายท่านจึงไม่มีความทุกข์เหมือนพวกเราพวกเราพอมีร่างกายก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการาหาสิ่งต่างๆด้วยร่างกายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับทุกเรื่องที่เราไปยุ่งเกี่ยวด้วย พอไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีเรื่องราวที่เราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวเราก็อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายเหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิใจสงบตอนนั้นก็เหมือนเราไม่มีร่างกายตอนนั้นนะเราเหมือนเราอยู่ตอนที่เราอยู่ในสมาธินี่ยเหมือนเหมือนกับตอนที่พระเจ้าอยู่ตอนนี้ใจของพระเจ้าก็สงบตอนเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในสมาธินั่นแหละเราไม่ต้องใช้ร่างกาย เวลาอยู่ในสมาธิมันต้องใช้ร่างกายทำอะไรเลยไม่มีร่างกายตายไปตอนนั้นก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> นี่คือทำสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันไม่เห็นกันเพราะมันเป็นของมองไม่เห็นนั่นเองใจนี่เป็นไม่มีรูปไม่มีร่างมองไม่เห็นเหมือนร่างกาย ก็เลยทําให้เป็นหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราก็เลยไปยึดติดกับมันพอมันจากเราก็เลยทุกข์กับมันให้ตัวที่ไม่จากเราไม่ไปยึดไปติดกันไม่ไปยึดติดอยู่กับใจเนี่ยใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายจะอยู่กับใจก็ต้องอยู่กับความสงบต้องทิ้งร่างกายต้องคัดนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็เป็นเวลาที่เราทิ้งร่างกายชั่วคราว เหมือนกับเราไม่มีร่างกายชั่วคราวเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่มีร่างกายแต่พระพุทธเจ้านี้อยู่ในสมาธิตลอดเวลาอยู่ในความสงบตลอดเวลาเลยไม่ต้องใช้ร่างกายพวกเราอยู่ในสมาธิได้เดียวเดียวเดี๋ยวกิเลสมันก็อยากจะมาใช้ร่างกายต่อแล้วเดี๋ยวอยากจะดื่มนูน่นดื่มนี่นะอยากจะดูนั่นดูนี่ก็เลยต้องกลับมาหาร่างกาย พอกลับมาหาร่างกายก็มาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วของที่ได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็วุ่นวายทุกข์ใจเสียใจอย่าะฉนั้นต่อไปนี้เวลาอยากทำอะไรนั่งสมาธิไปอยากจะดูนั่งสมาธิไ ป, อ ย, ไปอยากไปเที่ยวนั่งสมาธิไปเข้าไปในสมาธิไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะไม่ต้องไปไหน ไปในสมาธิไปที่สงบใจสงบแล้วพอไม่ต้องมีอะไรไม่มีเงินก็นั่งสมาธิไปไม่ได้เหรียญทองก็นั่งสมาธิไปเดี๋ยวเทนในพวกไปแข่งโอลิมปิกซะหน่อยเดี๋ยวเวลาแข่งแล้วไม่ได้เหรียญทองก็ไปนั่งสมาธิกันเราจะไม่เสียใจ <c oughs> นะนยละัความสุขของเรา ที่แท้จริงสมบัติที่แท้จริงของเราอยู่ที่ความสงบนี้ถ้าได้ความสงบแล้วนี้ดีกว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกร้อยเหรียญ mm hmm. เพราะนี่คือสุดยอดของราบยศสารเสรินสุขความสงบนี่คือความสุดยอดของราบยศสารเสรินสุขเพราะความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวง mm hmm. นัติสันติบาลังสุขขัง ไม่มีอะไรที่จะสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเราได้ความสงบนี้ถือว่าเราได้รางวัลที่หนึ่งถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นรางวัลที่หนึ่งไม่มีรางวัลไหนที่จะให้เราให้รางวัลได้มากเท่ากับรางวัลที่หนึ่งดังนั้นขอให้เรามาสร้างเหตุที่จะทำให้ใจเราสงบกัน มาสร้างศีลศีลห้าศีลแปดศีลสองรอยี่บเจ็ดกันแล้วก็มานั่งสมาธิกันแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าตัณหาความอยากนี่เป็นตัวที่เราจะต้องฝืนต้องไม่ทำตามเวลาอยากอะไรปับ๊บไปนั่งสมาธิเลยเข้าห้องไปนั่งสมาธิอยากจะดื่มอะไรไปเลยนั่งสมาธิ อยากจะกินอะไรถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็ไปนั่งสมาธิเราจะได้ความสุขที่แท้จริงนัความสุขที่ดีที่สุดถ้าทำงี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สบายไม่ยากเลยมันยากตรงที่ไม่ยอมทำกันพออยากปั๊บนี่สองจิตสองใจเลยจะนั่งสมาธิดีหรือว่าไปนั่งดูละครดีวะเดี <c oughs> ๋ยวทาไมทามาดูละครดีกว่า มันก็เลยไม่ได้ไปนั่งสมาธิกันสักทีพอ n ั n g ก็หาวนั่งได้นี้นนก็ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ขึ้นมานั่งไม่ได้แล้ ว, ลวไปดูละครดีกว่าดูละครนั่งเป็นชั่วโมงมเว้นเว้นเจ็บตรงไหนเลยเราต้องฝืนความเจ็บความอะไรต่างๆมันเป็นอุปสรรคมันสร้างขึ้นมากิเลสมันมันสร้างขึ้นมา คามอยากมันสร้างขึ้นมาวิธีที่จะฟันฝ่ากอุปสรรคนี้ได้เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนก่อนจะนั่งสมาธิต้องไปเอาสติมาก่อนสตินี้เป็นเหมือนอาวุธก่อนที่เราจะไปสู้กับฆ่าศึกศัตรูนีเราต้องไปหาอาวุธมาก่อนถ้าไปมือเปล่าๆปลก็สู้มไม่ได้ข่าศึกเขามีอาวุธร้อยแปดประการเราไปมือเปล่าๆก็ถูกก็ยิงตายเอ นั่นก่อนที่จะนั่งสมาธิเราต้องไปเอาสติมาให้ได้ก่อนสติก็คือกําลังที่จะหยุดความคิดต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วสิ่งที่จะสร้างสติขึ้นมาก็คือพุทโธนี่แหละให้ท่องพุทโธพุทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดอะไรถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดอะไรพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราจะหยุดความคิดได้พอมันจะคิดแล้วก็พุทโธพุทโธไป แล้วพอมานั่งสมาธิมันก็จะไม่คิดพอมันคิดเราก็พุโทโธไปพอมันไม่คิดมันก็สงบมันก็เป็นสมาธิขึ้นมามันก็ได้ความสุขขึ้นมาแล้วพอออกจากสมาธิมาก็มาฟังธรรมะเปิดธรรมะฟังธรรมะก็จะบอกว่าอย่าไปทำตามความอยากต้องฆ่าความอยากทำลายความอยากอย่าไปฝืนอย่าไป อย่าไปทาตามความอยากต้องฝืนความอยากพอฝืนได้ต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังแล้ว hmm. ก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้เราไปทำอะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหารูกเสียงกลิ่นรสเพราะเรามีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าคือความสงบก็เอาแล้วนะพอสมควรแก่เวลา ก็จะอนุโมทนาให้พรอนมาไงมีอะไรจะถามไหมไมน่ดีจะในรถอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าไข่เนี้ยต้องเป็นไข่ที่สุกไข่สุกวันีูทมาสุกบ้างไม่สุกบ้างตลอดอันนี้สุกก็ใช่หก็เนพวกตอนเกีน เราฟังกาที่ตั้งหารของในหุดนดีคคำถามจากาเบตติ้งไลฟ์คำ ถ, ถามจากคุณจูนี่หนูเปิดบริษัทขายเคมีอุตสาหกรรมค่ะแล้วเคยไปไหว้สั่งเจ้าพ่อหลักเมืองว่าถ้าเปิดทำการจะมาไหวท้ทุกๆปีโดยใช้หัวหมูไก่ต้มและเป็ดพะโล้และผละไม้อีกเก้าอย่าง แล้วหนูดันไปพูดไย ว, ว่าถ้าไม่ได้มาไหว้ขอให้ตัวเองมีอันเต็มไปจะแก้อย่างไรดีคะเพราะหนูเคยฟังหลวงพ่อว่าห้ามสั่งเขาฆ่ า, าสัตว์ค่ะขอพระอาจารย์ชีแ้แนะด้วยคะ่ะก็ไปแก่ไปเลยบอกว่าขอขอล้มสัญญาเก่าขอเลิกสัญญาเก่าก็ไม่เป็นบานหาเลยทําสัญญาได้ก็เลิกสัญญาได้ <c oughs> ต่อไ่ น, นี้หนูข้าพเจ้าไม่มีสัญญากับท่านแล้วนะ <c oughs> ง่าย่าตายลยต่อไปนี้เราจะมีสัญญากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนเพะเปลี่ยนบริษัทก็ทํนั่นเองเคยใช้บริการบริการของบริษัทนี้นี้อยากจะเปลี่ยนบริการบริษัทใหม่ก็เขาเลิกบริษัทเก่านะคำถามจากคุณเจนนั่งสมาธิแล้วัวโยกไปมาทำอย่างไรดีคะ ก็ไม่มีสติอถ้ามีสติมันไม่โยกอย่างตอนเรานี้นั่งคุยกันนี่โยกไหมเพราะเรามีสติใช่ไหมอ่าเราเวลานั่งสมาธิกับไม่มีสติไปนั่งทําไมนั่งสตินั่งสมาธิมันต้องมีสติดีกว่าตอนที่เรานั่งกันอย่างนี้ใชถ้ามีสติมันจะไปโยกได้ยังไง <c oughs> ถ้ามันนั่งแล้วไม่มีสติไม่อยู่กับพุทธโธไม่อยู่กับลมที่ว่านั่งแบบนั่งไปเคลิคมๆไปแล้วพอเคลิ้มมันมก็โยกไปโยกมาเอื ต้องถามจากคุณสิทธิพงศ์ผมนั่งได้สักพักคําบริกรรมเริ่มนึกไม่ค่อยออกจิตเริ่มสงบจะมีอาการหายใจกระตุกเหมือนใจสัน่นเห็นแสงกระพริบกระพริบจะสว่างก็ไม่สว่างถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงจะมายึดที่คําบริกรรมก็นึกไม่ค่อยออกก็เลยพยายามนิ่งรู้เฉยเฉยจนร่างกายหายใจเพื่อขึ้นครั้ง อ, อีกครั้งค่อยนึกคําบริกรรมออกแล้วก็มาบริกรรมต่อ แล้วก็เป็นแบบเดิมอีกถ้าเป็นแบบนี้อีกผมควรจะทำอย่างไรดีครับก็ไปฝึกบริกรรมให้มันบ่อยๆให้มันชำนานให้มีกำลังให้เสียงเบาลงนะนะก็บริกรรมให้มันมีกำลังเวลานั่งมันจะได้ไม่หายเราต้องการบริกรรมจนะทั่งมันฟุบมันยุบลงไปมันรูปลงไปแล้วก็นิ่งถ้ามันยังไม่นิ่งก็บริกรรมต่อไป ที่มันหายก็เพราะมันสติมันหมดกำลังมันเคิ่มมันจะหลับมากกว่างั้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากๆก่อนจะมานั่งนี่ต้องเจริญพุโทโธพุโทโธให้มากๆมันจะได้ไม่ไม่หมดแรงซะก่อ น, นอั่งเข้ามาอยากจะถวายเลยเข้ามาอซองไว้ตรงนี้เอากระดาษไว้ตรงนี้ เอาเช็คไว้ตรงนี้เอาไงไว้ตรงนี้อ่าโยมเขียนเช็คให้รู้แบบเนี่ยมีชื่อเซ็นชื่อมีราคาเท่าไหร่เนีย่ยเช็คของพระรู้ไพระเก็บเงินไม่ได้ต้องเอาเช็คอย่างเดียว ยังไม่รู้ว่าเปิดให้ถามไงพูดดังๆหน่อยดินนนหนูปฏิบัติทำแล้วเป็นยังไ ง, อ, ไงอ่าแล้วยังไงก็หนูบองแค่นี้เราจะไปรู้ได้ไงสวนมุกก็สวนมันก็มันก็เป็นการทาสมาธิทำสติกำลังสวดเดินให้มันสงบสงบไห งบแบบไหนอะสงบคือไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมแต่ยังไม่รวมใช่ไหมยังไม่ดิ่งเงี้ยตองให้มันดิ่งให้มันตกหลุมตกบ่อตกเขลอยอย่างนั้นต้องพุทโธต่อพอส่วนมนไปแล้วมันสงบแล้วก็พุทโธต่อพุทโธไปเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันจะเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเขล้ยนะแล้วมันก็จะรวมแล้วมันก็จะมีความสุขมาก ถ้ามันเจอของจริงมันจะไม่ไปถามใครว่าเป็นอะไรมันจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือสมาธิแล้วฟังเทศฟังธรรมบ้างหรือเปล่าฟังของใครก็ฟังหมดฟังหมดเลยเราได้อะไรบ้างได้ข้อสรุปว่าไงบ้างก็ดีใช่ใชดีมันดีเขาให้ทําอะไรที่ฟังเนี่ยก็สอนให้ทําอะไรบ้าง สินสมาธิปัญญาแล้วมีศีลไหมอ๋อไม่ทราบตัวเราไม่ทราบเราไม่มีศีลไม่มีศีลแล้วใคยจะไปทราบเราต้องดด อ, อ, อ, อ๋อเข้าวัดได้ก็ดีกว่าขายปลาปล่อยแนละ้ว มันจะเข้าได้หรือเปล่ามันมีวัดเขาให้เขาาจะให้เราเข้าหรือเปล่าวัดจะเข้าได้เขาก็ต้องดูคุณสมบัติของเราก่อนว่าเรามีคุณสมบัติที่จะไปอยู่วัดได้หรือเปล่าเพราะวัดเขาก็มีกฎมีระเบียบมีมีงานมีการมีอะไรที่เราต้องทําตามที่เขากําหนดไว้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเข้าวัดก็ไปเข้าได้เข้าวัดก็เหมือนเข้าโรงเรียนก่อนจะเข้าโรงเรียนก็ต้องไปสมัครโรงเรียนเขาก่อน แล้วโรงเรียนเขาก็จะดูเราว่าเรามีคุณสมบัติที่เขารับได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีคุณสมบัติเราก็ต้องสร้างคุณสมบัติขึ้นมาวัดมันก็มีหลายแบบตอนนี้ขายปลาปล่อยที่ไหนอยู่ที่สถรรานทาาี่อ่ขายได้วันละกี่ตัวม ไ, ม ไ, ไม่นับเล <laughs> <c oughs> เราไป เราไปไปจับมันกลับขึ้นมา้ายไหมวะไม่เลยขก็ววัดได้ก็ดีนะแต่เราต้องอยู่กับวัดได้เพราะวัดเขาก็มีมีกฎมีระเบียบมีการอยู่ต้องอยู่เหมือนเขาทาํทาตามที่เขาบอกเขาสั่งถึงจะอยู่ได้แล้วก็ต้องมีที่ว่างด้วยบางทีบางวัดเขาก็มไม่ไม่มีที่ว่าง ก็อยู่ได้อาจจะให้เขาให้อยู่ได้ช่วงข่าวอย่างที่วัดยานี้ก็อยู่ได้ทีละเจ็ดวันนะ mm hmm. เพราะคนเยอะที่มันไม่มีถ้าจะให้อยู่ไปยาวๆคนอื่นก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยากจะอยู่ยาวๆก็ต้องไปหาวัดอื่นวัดที่ไม่มีคนไป mm hmm. คนไปน้อยมีที่อยู่อยากจะไปอยู่วัดเลย ดีไปได้ก็ดีไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดีกว่าปล่อยปลาขายปลาทำได้ก็ดีอนุโมทนานะแต่ต้องทำเอาแบบจริงๆจังๆนะไม่ใช่ทำบาปเบื่อๆอยากๆนะพอเบื่อขายปลาก็เข้าวัดอเอขเข้าวัดเบื่อก็ออกมาขายปลาใหม่นะ <c oughs> อ่าหนังสือซีดีไปก็ได้นะอยากจะอ่านหนังสือเนี่ยแจก <c oughs> มาขายนานหรือยังมาขายปลาได้นานหรือยังอยู่ตรงนี้ตั้งหลายปีแล้วแต่ตั้งยต่เล่นต้นเลยอยู่ที่ไหนอยู่ทางวัดมัตตทองอามาพักกางนี่เมื่อก่อนก็ไม่เห็นมีขายแล้วอยู่ๆ ขายกันพอขายก็ยเยอะเลยมันขายดี<อ>ดเลยไม่มี อ, อาชีพก็เลยทากันเลยคนะใก็เลยต้องมาขายปาลาเป็นมิโคนเดี๋ยวจะมีคนก็นเยอะนักคนมามามามาม า, มาปล่อยเยอะหมก็ถ้าช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าวันอะไรนี่ก็มีคนเยอะเหมือนกันค่ะถ้เป็นวันธรรมดาสาร์อทิต์ก็แล้วแต่คนก็มาตันนิดนึงนักปลามันจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวมันเต็มสะเต็มสะก็มีคนมาคมาจับไปนะช่วงน้าขึ้นออกไปนิ่น้อยเลยน้ำร่นนะเพามันจับไปแต่ให้พวกคนงานก่อสร้างก็ทเหมือก็ขายร้อนออกมาเยอะมาช่วงน้ขึ้นมีปัญหาก็มาอย่างคําถามจากคุณแชมป ครอครัวผมทําอาชีพเลี้ยงหมูจํานวนมากแต่ผมหามีความยินดีในอาชีพนี้ไม่แต่พ่อแม่ไม่ยอมเลิกทํากิจการพระอาจารย์มีข้อแนะนําไหมครับก็มีก็ก็ปล่อยก็ทําไปถ้าเราไม่ชอบทำํำเราก็อย่าไปทําต่อไปถ้าเราแยกไปทํางานของเราเองได้เราก็แยกตัวออกไปตอนนี้ยังไปไม่ได้ก็อยู่ไปก่อน คำถามจากคุณจุลาวันในช่วงสมัยสงครามก่อนรัชากาลที่หนึ่งที่เราต้องออกรบต่อสู้กันระหว่างประเทศคนที่เป็นพระพระมหากษัตริย์หรือทห า, หารต้องฆ่าคนเพื่อปกป้องประเทศชาติเพื่อประชาชนเพื่อแผ่นดินแบบนี้บาปหรือตกนรกหรือเปล่าจ๊ะคะบาปแต่คงจะไม่ตนกนรกมันอยู่ที่เหตุของการทําบาว่าทําด้วยความอาฆาตพยาบบาทก่อดเกียรติเคียดแค้น หรือทาด้วยความจําเป็นนะความอยู่รอดถ้าทําด้วยความอยู่รอดก็เป็นเหมือนเดรัจฉานก็จะไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์เพราะสิงสาราสัตว์มันก็ฆ่ากันเพื่ออยู่รอดแต่ถ้าฆ่ากันเพราะโกรธเกลียดเบื่อกี่หน้าเกลียดคนนี้เคายาาียดแค้นอย่างเงี้ยอาฆาตพยาบาทอันนี้ถึงจะไปนรกเช่นเทวทัานี่โกรธพระพุทธเจ้าขอให้ขอพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นําสงฆ์แทนพระพุทธเจ้า บอพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็โกรธก็เลยอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าฆ่าด้วยความโกรธเกลียดเนี่ยมันถึงจะไปนรกแต่ถ้าฆ่าด้วยการรักษาชีวิตของตนเองเพื่ออยู่รอดอย่างพวกคนที่ทําอาชีพค้าเป็ดค้าไก่ค่าวัวค่าควายหรือคนที่เป็นข้าราชเป็นทหารตำรวจนี่ยที่จะต้องไปฆ่าคนอื่นแต่ฆ่าเพื่อเพื่อจะได้มีเงินเดือนอ เ็จะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนที่ฆ่าเนี่เราไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขาฆ่าเพราะว่าเขาทำหน้าที่ตำรวจตามจับคนร้ายแล้วคนร้ายต่อสู้าเงี้ยเขาก็ยิงกันยิงเพื่อป้องกันตัวเขาเองเขาไม่ต้องการที่จะไปฆ่าคนคนร้ายหรอกแต่คนร้ายมันยิงเขาเราเราก็ต้องยิงมันเพราะเราต้องการจะจับมันใช่ถ้าฆ่าแบบนี้มันไม่ได้ฆ่าแบบเครียดแค้นโกรธเกียด อาฆาตพยาบาทมันก็ไม่ไม่ไปในรกมันไปแค่เดรัจฉานอ๋อหมายคว่าไปเป็นเดรัจฉานแล้วก็ต้องกลับมาดนเขาฆ่าก็ไปเป็นเป็นหมูเป็นหมาหรือเป็นมูาฆ่าไปฆ่ากันมาสลับกันไปสลับกันมา oh. พวกหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ถูกเขาฆ่าวันนี้ก็เพราะชาติก่อนเคยไปฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่มาก่อนตอนที่เป็นมนุษย์หรือตอนที่เป็นสัตว์อื่นก็ตาม ผัดกันไปผัดกันมาผัดกันฆ่ากันฆ่าเขาแล้วเขาก็มาฆ่าเราคำถามข้อต่อไปจาก y ยูทูบไลฟ์นะครับถ้าแม่ชอบไปตกปลาเพื่อมากินเป็นอาหารแม่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปตกแล้วเราไปห้ามแม่บอกให้เลิกเราจะบาปไหมครับแต่แม่ก็ไม่ฟังก็ยังไปอยู่พอจะมีวิธีทําให้แม่เลิกตกปลาได้ไหมครับซื้อปลาให้แม่เลย ไปซื้อปลามาแม่ต่อไปนี้แม่ไม่ต้องไปตกแล้วแม่อยากกิ น, กนปลาเช่นนี้ไหนบอกเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้แต่ต้องไปซื้อปลาที่ตายแล้วนะไปที่ตลาดที่ตาปลามันตายแล้วซื้อมาเราไม่บาปแต่อย่าไปสั่งก็นะอย่าไปสั่งว่าพรุ่งนี้เอาปลามาให้สมตัวอย่างนี้ไม่ได้ไปที่ตลาดดูถ้ามีปลาตายอยู่แล้วก็ซื้อมาได้ถ้าไม่มีของตายก็สั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อ คำถามจากคุณสินีทุกวันนี้ยังสุขใจกับการทำงานทำทานใส่บาตอยู่รวมถึงเจริญสติรักษาศีลเจริญภาวนาไปเรื่อยๆเท่าที่ทำได้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตใจจะพัฒนาขึ้นไปเองใช่ไหมคะเออมันก็ต้องพัฒนาจากทำทานไปสู่การรักษาศีลจากศีลห้าก็ไปศีล8ปดศีล8ก็ไปศีล227รีแล้วก็ไปนั่งสมาธิ ไปเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมพิจารณาธรรมนี่มันต้องพัฒนาการจะให้มันไปนี่ไม่ใช่มันจะไปของมันเองนะเราต้องดันมันไปด้วยแต่ต้องดันมันไปทีลักขั้นเหมือนเรียนหนังสือเราต้องดันมันที่ลัขั้นใช่ไหมลูกเหล่านี้ถ้าไม่ดันมันไปโรงเรียนมันก็ไม่ไปใช่ไหมพอถึงเวลามันจะต้องเข้านิวบาลก็ดันมันไป พอมันจบอนุบาลก็ดันมันขึ้นปฐมไปถ้าไม่ดันมันก็ไม่ยอมไปหรอกใจเราก็เหมือนกันของดีทางของดีมันไม่ชอบไปหาหรอกมันชอบไปหาของไม่ดีของดีนี่ไม่ต้องไปดันมันหรอกสุรายาเล่นเกมอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปดันมันต้องคอยดึงมันไว้ถ้าของดีต้องดันแต่ของไม่ดีต้องดึงนะเรามันชอบไปหาของไม่ดีกัน ต้องดึงมันกลับมาชอบไปเที่ยวชอบไปเล่นเนี่ยชอบไปกินไปดื่มกันแต่ให้ไปทําบุญทําทานไปรักษาศีลต้องดันต้องหาโอกาสต้องวันเกิดมันถึงจะไปวันปีใหม่ถึงจะไปกันนะต้องพยายามดันมันให้ถ้าดันมันมากมันก็จะไปเร็วถ้าดันมันน้อยมันก็จะไปช้านั่นอยู่ที่คนบางคนถึงบรรลุเจ็ดวันก็ได้บางคนก็บรรลุเจ็ดเดือน บางคนมรรลุเจ็ดปีก็อยู่ที่ดันนี่แหละผักดันเราตัวให้เราปฏิบัติมากขึ้นทําให้เพิ่มมากขึ้นทําเพิ่มมากมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนขับรถเนะี่ยถ้าเหยียบคันเร่งให้มันติดพื้นเนี่ยมันก็วิ่งเร็วเดี๋ยวเดียวมันก็ถึงอนะ่าไปวิ่งแค่ยี่สิบสามสิบกิโลต่อชัว่วโมงก็แตะแตะแตะแตะไปองอยู่ที่เราอยู่ที่คนขับใจเราเป็นรถเราเป็นคนขับรถนะ เราอยากจะให้ใจเราจเจริญก้าวหน้ามากน้อยก็อยู่ที่ความผาักดันของเราคำถามจากคุณเอกคุณเวลานั่งสมาธิมันรู้สึกกลายเป็นส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งแล้วมีความสุขเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลังหลังมันเฉยเฉยอย่างอย่างนี้ควรทำอย่างไรต่อครับก็ดีให้มันเฉยเฉยดีต่อไปเวลาร่างกายมันเป็นอะไรแค่ให้มันเฉยเฉยอย่างนี้ไปอย่าไปวุ่นวายไปกับร่างกาย เพราะวุ่นวาแล้วมันทุกถ้าเฉยแล้วมันสบายคำ ถ, ถามจากคุณนัตกิตการศึกภาต้องดูเลิกดูยามหรือเปล่าครับไม่ว่าศึกหรือบวชมันไม่มีเลิกมียามอมันดูเหมือนกันมันต้องมีเวลาม่มเวลากาละเทศะไม่ใช่ไป บ, บวชตีสองไปปลุกพระใช่ <c oughs> ไหมป บ, บวชไปบวชช่วงเพนก็ไม่ได้ <c oughs> มันก็ต้องมีเวลาเวลาแต่มันมันไม่เป็นเลิกเป็นยามเขาอย่างมันมันเป็นกาลเทศะเวลาอันควรเขาเรียกว่าเลิกสะดวกไงไม่ใช่เลิกยามเลิกยามนี่ต้องไปดูดาวพฤหัสชนกับดาวเสาร์วันนี้ดีวันนี้ไม่ดีไอ้นี้ไม่มีไอ้เรื่องนี้ไม่มีในพุทธศาสนาทุกวันเหมือนกันหมดวันเสาร์วันศุกร์วันพฤหัสมันก็มีเมื้อกระแจ้งเหมือนกันหมดทุกวัน ดีชั่วไม่ได้อยู่ที่วันดีชั่วอยู่ที่การกระทำวันนี้ไปป้นธนาคารดีมันก็มันก็ไม่ดีนะวันนี้ไปทำบุญดีเออดีมันไม่ได้ดีเพราะเราไปเพราะว่าันเป็นวันดีหรือไม่ดีมันเป็นเพราะว่าเราทำอะไรถ้าเราทำดีมันดีทุกวันน่ะถ้าเราทำชั่วมันมันชั่วทุกวันน่ะวันไหนก็ชั่วแล้วมันไม่มีเลิกยามนยการศึกก็ถือว่าเป็นความชั่วยางหนึ่งการบวชก็ถือว่าเป็นการดีอย่างหนึ่งใช่ การการสืึกก็เหมือนว่าไม่ไ ม, ไม่รักษาศีลละไ ม, ไม่กลับมาทำบาปต่อแล้วะดีไหมไม่ดีใช่ไหมจะไปทําบาปไม่ต้องมาดูเลิกยามทำไมเลยถ้าอยากจะให้มันดีก็อย่าไปศึกซึ่งใช่ไหม อ, อย่าไปทําบาปารักษาศีลต่อไปออย่างที่รักษาที่จะสึกกพ็พาอย่าไปทําบาปนั่นเนี่ยอจะไม่รักษาศีลละถึงไม่บวดลาสิกขาไง สิกขาแปลว่าอะไรสิกขาบทของพระก็คือศีลสมาธิปัญญาแลสิกขาก็แปลว่าต่อไปนี้ฉันไม่เอาละศีลสมาธิปัญญาะฉันจะไปหาราบยศสารเสริญแล้วงั้นวันไหนดูวันไหนมันก็ไม่ดีให้มันะวันศึกอ่ะไม่ควรจะมีวันศึกเข้าใจไหมตอนจริงเดิมทีศาสนาพุทธนี้ไม่มีวันศึกเนี่ยบวชแล้วไม่มีวันศึกกันก่นสมัยพุทธกาลนี้เขาบวชก็ไม่ศึกกัน แต่สมัยนี้บวชร้วสึกกันเป็นว่าเล่นบางทีบวชเช้าสึกเย็นก็มีบวชหน้าไฟกนะันนะนันไม่มีเลิกยามนะทนาพุทธศาสนาเราถือหลักกรรมหรือถือการกระทําเป็นเลิกยามถ้าทําดีมันดีทุกวันนะถ้าทําบาปมันไม่ดีทุกวันให้ดูที่การกระทําอย่าไปดูที่วันคำถามจาก เวลาพ่อแม่ครูอาจารย์บรรลุทมอรหันตผลท่านกล่าวว่าดุจ ด, ดังฟ้าดิมถล่มทลายจะเป็นอย่างนั้นทุกองค์หรือเปล่าครับที่เรียกว่าผ่านญาณสิบหกครั้งที่สี่ใช่ไหมครับก็ลองทำดูสิจะได้รู้ไม่ต้องไปถามใครให้ถามไปเท่าไหร่ก็ยังสงสัยอยู่นั้นต้องสันทิฏฐิโกทางองค์พรเจ้านี่สันทิฏฐิโกใชครับมีผู้ถาม มาคำถามหนึ่งครับแต่ว่าผมไม่อยากพูดนะครับแต่ว่าสถามลักษณะที่ว่ามีสถานที่ที่สอนนําคําพระพุทธเจ้ามาสอนแต่ว่ามีการตัดสินของพระพุทธเจ้าออกตัดสินตัดสีนครับตัดสี น, น, น <ะ S 2> ไม่ให้ถือสีนเนี่ยไม่อาแบบตัดไม่ให้เหลือร้อย<อ>้าสิบอไม่คิดว่าจะไปพูดพูดไม่ได้พูดนะไม่อยากจะพากีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไงครับระจัน ก็มันเหมือนแบบว่าเลือกเลือกปฏิบัติงคือเอาเอาส่วนที่ชอบส่วนที่ไม่ชอบก็ตัดทิ้งไปก็แล้วแต่ถ้าไม่เชื่อพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครมันอยู่ตรงนั้นนะถ้าไปคิดว่าเป็นฉลาดกับพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาฟังพุทธเจ้าใช่ไหมจะมาเลือกว่าอันนี้ฉันฉลาดกับพุทธเจ้าไม่ได้หรอก ก็มีมีตอนเที่ยงที่พระพุทธเจ้ า, า, จ า, าตายไ ป, ไปใหม่ๆก็มีพระสององค์รูปมาบอกเฮ้ย hey, ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วท่านบอกว่าศิลข้อไหนที่เราเห็นว่ามันไม่ต้องรักษาก็ไม่ต้องรักษาก็ได้เนี่ยก็จะขอเลิกรักษาสิ่งข้อนั้นข้อนี้ทีนี้ก็คนก็แย้งบอกแล้วพระพุทธเจ้าบอกหรือเปล่าว่าศิลงข้อไหนเลิกได้สิ่งข้อไหนเลิกไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ได้ถาม ไม่ได้ถามก็เลยจะทํายังไงฝ่ายที่ก็ไม่ให้เลิกก็มีฝ่ายที่อยากจะเลิกก็มีก็เลยตั้งประชุมพระอราหันห้าร้อยลูกให้พระอราหันห้าร้อยลูกเป็นคนตัดสินเพระพระอาหารหันนี้ท่านก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าท่านรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้ารู้ท่านรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรไม่ควรพระอราหันห้าร้อยลูกก็สรุปว่าเหมือนเดิม <laughs> พระพุทธเจ้าสั่งยังไงสอนยังไงก็เอาเหมือนเดิมไอ้<ม>พวกที่ไม่ไม่เชื่อก็เลยแยกเป็นอีกนิกายไปเ<ม>นี่ยที่เรามีนิกายแยากออกมาก็เพราะเรื่องนี้เรื่องรักษาศีลเนี่ยไอ้พวกที่ศีล น, น้อยลงศีล น, น้อยลงไปเรื่อยๆก็เป็นอีกนิกายหนึ่งไปพวกที่ยังรักษาศีลสองรอยิบเจ็ก็เป็นนิกายเนี่ยเถราวะเนี่ยที่มาถึงเมืองไทยเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ยกเลิกศีลของพระพุทธเจ้า พระอาหารเป็นคนมาเอาศีลของพระทธเจ้ามาเผยแผ่ที่ประเทศไทยถ้ามีพระอาหันหไปเผยแผ่ที่ไหนแล้วศีลจะครบทำจะครบแต่ถ้าไม่ใช่เป็นพระอาหารไปเผยแผ่รับรองได้ศีลไม่ครบหรอเดี๋ยวมันตัดทิ้งกันหมดเพราะมันเกะกะมันยุ่งยากอ่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้พระไปเผยแผ่ต่างประเทศกันเนี่ยศีลหายไปเยอะแล้วเนี่ยเห็นว่าบางทีพระก็เดี๋ยวนี้ขับรถได้เนี่ย เขาเอาศีลของพระคาทอลิกเห็นพระคาทอลิกเขาบาตรหลวงขับรถได้เราก็เป็นพระเหมือนเขาหรือเปล่าเขาขับได้แล้วว่าขับได้เราอยู่เมืองนอกมันไม่มีลูกศิลุกหาเหมือนเมืองไทยไปไหนมาไหนมันไปไม่สะดวกก็เลยต้องซื้อรถเองขับรถเองสะดวกกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไปด้วยกิเลสแต่ถ้าไปด้วยธรรมแล้วไม่มีความจําจเป็นที่จะต้องเลิกศีลของพระพุทธเจ้า จริงๆแล้วออาทางสถานที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่เชื่อสิ่งอย่างเงี้ยครับาจแต่เขาเอ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวเพูดแล้วครับเขาอ้างว่าอ่าเขาศึกษามาแล้วเนี่ยพระผู้เจ้าให้ให้ให้ใหสวดปาฏิโมกแค่นี้พอไม่ได้สองร้อยวรรคอย่างที่สวดกันอย่างที่คูบาจารย์สวด ก, กันเขาก็เลยตัดทิ้งให้มันเหลือแค่ร้อยวข้อพอตามที่เขาเชื่อครัอ า, าจารย์นั่นสิแล้วใครมายืนยันว่าสิ่งที่เขาคิดนี้ถูกก็ผิด ได้ไหมเขาก็ไม่ได้เกิดอยู่ในสมัยที่เขาเลิกเลิกเลิกสวดกันไหนๆก็พูดแล้วครัาจารย์ผมประสบการณ์ตัวเองเลยครับอาจารย์ผมเคยสมัยก่อนที่ผมจะมาทํางานให้พระอาจารย์ผมเคยนําผมก็เคยเข้าไปเหมือนกัน <c oughs> เคยนํามาจัดที่สาราวัคการเมืองพัทยาด้วยครับผมเป็นคนติดต่อให้เองแต่ว่าวันที่จัดเนี่ยผมไม่อยู่เลยเพราะผมมา คิดได้ก่อนด้วยการที่ว่าผมถึงขนาดเปลี่ยนสถานีวิทยุของผมอะเป็นชื่อนั้นอ่าสถานีเลยครับอาจารยแต่ว่าวันหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเยอะไปผมก็เลยสลับไปเปลี่ยนครูบาอาจารย์อื่นบ้างแล้วมีคนะส่งข้อความมาหาผมว่าทําไมคุณใช้ชื่อสถานีอย่างนี้เราไม่เปิดแนวนี้ทั้งหมดเออคนคนแนวเนี้ยไม่ใช้ไม่ได้กินย้านะ พอได้ยินคํานี้ผมเลิกทุกอย่างขาผมไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเพราะผมไม่ต้องการสร้างไอ้มนุษย์ประเภทเนี้ขึ้นมามันมีแต่ความแบบโอ้โหนี่เหละเราจะสร้างไอคนประเภทนี้เหรอเนี่ยก็เลยเลิกขาดเลยก็ไม่ยุ่งเกี่ยวต่อไปเลย<ม>ขนาดผมเป็นคนเอามาที่สาราว่าการเมืองผมยังไม่ไปงานเลยครับมผมเลิกเลยตั้งแต่อ้อนน้ำเลิกเลยครับรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาสร้างบุคคลอย่างนี้เลยไม่เอาไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย ต่อระบายแนละ้วคำถามจากคุณมินดีพข้อที่หนึ่งขายสินค้ากิฟช็อปของที่ระลึกของเล่นของตั้งโชว์สวยงามบาไหมคะทำให้คนลุ่มหลงอะคะ่ะอ๋อถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ได้หนีภาษีก็ไม่บาปถ้าไปเอาของหนีภาษีมาขายนี่มันก็ถือว่าลักทรัพย์ของรัฐบาล yeah. มแล้วก็ยังทา ผิดข้อข้อสองได้ถ้าเป็นของถูกกฎหมายเสียภาษีเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อผู้ที่ซื้อไปก็ไม่บาปถ้าขายสุราเนี่มันจะว่าบาปก็ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันไม่ควรเพราะมันจะทําให้เขาเป็นคนที่ไม่มีสติดื่มสุราแล้วเมาแล้วจะทําให้เขาไปทําบาปได้ง่ายกับคนที่ไม่ได้ดื่มงานอาทีพที่ ที่มันเรียกว่ามิจฉาชีพไม่ควรจะทำก็อาชีพเกี่ยวกับการขายสุราขายอาวุธเนี่ยอาวุธก็เอาไปซื้อเพื่อไปใช้ฆ่ากันหรือขายพวกกับดักสัตว์อะไรพวกนี้ขายสารพิษต่างๆเพื่อที่จะไปฆ่าสัตว์ฆ่ า, มาแมลงขายสุราแล้วขายของที่มีชีวิตเพื่อก็จะได้เอาไปฆ่าอันนี้ก็ไม่ควรจะค่าขายสิ่งเหล่า น, นี้ ว่ามันเป็นการส่งเสริมการทำบาปทำให้เกิดโทษเป็นภัยกับผู้อื่นแต่ถ้าขายของที่ไม่มีโทษไม่มีภัยกับผู้ใดขายได้ข้อที่สองถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างให้คนกลุ่มหลงทางรูปเสียงกลิ่นรถสัมผัสมากขึ้นหรือเปล่าคะ จะว่าส่งเสริมก็ไดออ้ถ้ารู้ว่าส่งเสริมก็อย่าไปทำสิไปไปเปิดสถานปฏิบัติธรรมในสถานท่องเที่ยวแทนใครอยากจะนั่งสมาธิมาเลยมีห้องนั่งสมาธิให้ให้ฟรีทำโรงแามเป็นเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็ได้นะถ้าใครยกโรงงนให้เราเนี่เราเราจะแปลงห้องมันให้เป็นห้องห้องนั่งสมาธิทุกห้องเลย กายอยากจะมานั่งสมาธิไปเลยขึ้นไปเลยเคยคิด น, นะครับว่าจะเคยคิดแบว่าไม่ต้องถึงขนาดโรงแรมนกแต่ว่าถ้าเป็นตึกเนี่ยแล้วทาเป็นห้องเล็กๆเนี่ยแล้วมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแอร์ให้ทุกอง ล, ล, ล้วกั้นเสียงห้องห้องห้องนึ่งแค่นี้พอาถึงขเล็กเขาก็ไปนั่งเป็นแบบใครจะมาได้ฟรีตลอดคิปเหมือนนี้เคยคิดไหมว่ากำลังขอเอาไอ้ไว้์ลอนนี่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่คิดไว้ เดี๋ยวแม่ได้ยินจะเป็นลมทำได้ครับอาจารย์เพราะว่า้อหนึ่งเนี่ยสามารถซอยได้เยอะมากเพราะนั่งสมาธิเขาขีนิดเดียวขีนิดเดียวแล้วก็ทเก็บเสียงดีๆหน่อยอาจารย์ใครมาก็เต็มที่เลยเรื่องทำแบบคิดราคาถูกให้เขาชาบเป็นเดือนไปเลยเดือนละสองสามพันยัจะอยู่เก็บตัวนั่งสมาธิปิกวิเวกปิกวิเวกในในในเมืองเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแอร์มันก็ดีมันปิด วิชิดใช่ไหมอากาศก็เย็นสบายไม่รับรู้เสียงข้างนอกขั้งตัวเองอยู่ในห้องเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะแล้วสิ้นแปะไม่ผิดหรอกครับในห้องแอร์รอกัไม่เพี <c oughs> ก็ถือว่าเหมือนอยู่มางนอกอย่าผิดไงอากาศมันเย็นนะั้น <c oughs> คนที่อยู่ <c oughs> คนทีอ <c oughs> น่อยู่มางนอกก็ผิดสิน้นเลย <c oughs> อ่ามันธรรมชาตินะแม่เดี๋ยวนี้สิ้นไม่ได้ว่าธรรมชาติไม่ไม่ธรรมชาติอใช้ได้เวลาเพียงแต่ว่าอย่า อยากไปติดมันเท่านั้นแต่ถ้าติดเพราะมันมีมันมีเหตุผลเช่นเก็บเสียงไม่ส่งเสียงเข้ามารบกวนเราต้องการความสงบเงียบอย่างเงี้ยก็ติดไปได้ไม่มีปัญหาเลย <c oughs> แต่อย่าไปติดเพราะว่า <c oughs> นอนสบาย <c oughs> ถ้าติดเพราะนั่งสมาธิแล้วจิตสงบดีเงี้ยได้ถ้าเสริมการปฏิบัติอย่างเงี้ยอยู่ที่อันนี้มันเป็นเครื่องเสริมไงจะเสริมเสริมกิเลสแล้วเสริมธรรมก็ได้ ติดไว้เพื่อให้ได้นั่งภาวนาสบายเหงื่อไม่แตกอะไรอย่างเงี้ย น, นั่งไปเสียงไม่มีมาบรบกวนมันก็ดีมันเป็นประโยชน์แต่ถ้านั่งเพื่อจะได้นอนสบายกินสบายอยู่สบายไม่ได้ปฏิบัติทําอย่างนี้นก็ไม่ได้ไม่ดีอ่าถามมาคำถามจากคุณลิซ่าพิจารณาว่าตนเองเป็นผู้มีราคะจริต การพิจารณาอาการ32เป็นวิธีที่เหมาะกับผู้มีราคาจริตใช่หรือไม่คะก็ให้ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายจะแบบไหนก็ได้ดูตับไตไส้พุิเขาดูโครงก็ดูเขาแล้วดูเวลาดูซากศพของเขาเหมือนที่พระเจ้าบอกให้พระไปดูซากศพของโสเภณีมีโสเภณีคนหนึงมีชื่อเสียงมากเพราะสวยงามมากพอดีแกตายไป แล้วพระรูปนี้ก็มีราคาจริตเนี่ยพระพระพเจ้าก็เลยบอกไปดูศพของโสเภณีคนนี้ไปพอไปดูราคาจริตหายไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องดูศพดูดูอะไรก็ได้ดูแล้วทำให้ราคะมันหายไปก็แล้วกันถ้าไม่หายก็แสดงว่ายังไม่ใช้ไม่ได้หรือดูไม่มากพอต้องดูบ่ยบอยๆนึกอยู่เรื่อยๆ ส่วนที่เราเห็นแล้วขยะขยงเนี่ยเห็นเห็นลํำเห็นกระเพาะลําไส้แล้วมันน่ารักไหมน่าดูไหมเห็นโครงกระดูกนี่น่ารักเลยเนี่ยไหนเนี่ยมีทุกคนเนี่ยมองไม่เห็นกันใช่ไหมคําถามจากคุณมงคลศีนข้อปานาติปารวมถึงการด่าว่าคนให้ได้รับความเสียใจด้วยหรือไม่คล้ายกับการเป็นฆ่าคนด้วยวาจา อ๋อนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวาจาไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดีไงพระลุศวาสเขาเรียกอันนั้นอยู่ในสีลข้อข้อสอยู่ในกลุ่มของสีลข้อสแต่ในศีลห้าในสีลแปนี้ก็ไม่ได้ห้ามไวท้ทีเดียวในศีลห้าสี 5, ส่แปดนี้ก็เพียงแต่ห้ามไม่ให้พูดพูดปดเท่านั้นเองแต่พวกที่เขาถือสีพระลุศวาสนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักบวชกัน นักบวชนี้ต้องไม่พูดจาด่าใครแต่เป็นคารวะนี้บางทีมันยังอดไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นปานาธิบาสนปานาธิบาสนี้ต้องทำให้เข้าเสียชีวิตร่างกายของเขาต้องตายไปถึงจะเรียกว่าปานาธิบาสคำถามจากคุณนักธกิจบุญกระถินถ้ารับกระถินแล้วผมไม่ได้ใช้ผ้ากะถินก็จะไม่ได้รับก็จะไม่ได้บุญกระถินใช่ไหมครับ บุญกระถินนีอยู่ที่คนให้คนรับไม่ได้บุญเพราะคนคนรับได้ผ้าอย่าญาติโยมมาของเองเงินมาเนี่ยเราได้เงินแต่เราไม่ได้บุญถ้าเราอยากจะได้บุญเราต้องเงินนี้ไปให้คนอื่นต่ออีกทีเราถึงจะได้บุญถ้าเราได้รับผ้ามาแล้วเราอยากจะได้บุญเราก็ผ้านี้ไปให้พระรูปอื่นแทนเราก็จะได้บุญจากการให้แต่ผู้รับกระถินผู้รับผ้านี้ได้ผ้าแต่ไม่ได้บุญ ผู้ที่ได้บุญก็คือผู้ที่มาถวายผ้าผู้ที่ให้ผ้าถ้าผู้รับอยากจะได้บุญก็เอาผ้านี้ไปทำบุญต่ออีกทีนบุญนี้มันก็ใช้ผ้าผืนเดียวนี่มันก็ใช้เป็นทอดทได้นะเราให้คนนี้คนนี้เข้าไปให้คนหนึ่งเขาก็ได้บุญคนนี้ให้คนหนึ่งเขาก็ได้บุญผ้าผืนเดียวนีนได้บุญหลายคนเพราะไม่มีใครเก็บเอาไว้พอใครเก็บไว้ปั๊บก็บุญเจ้หมดละ คนที่รับนั้นก็ไม่ได้บุญได้ผ้าไปาเขาจะเอาผ้าไปใช้เขาก็ไม่ได้บุญถ้าเขาอยากจะได้ผ้าเขาก็เอาผ้าไปให้คนอื่นต่อเขาก็ได้บุญคํถาถามจากคุณนวลจันทร์ลูกอยากถามวิธีแก้จิตติดเพ่งเจ้าค่ะติดเพ่งมันเป็นไงแก้ทำไมต้องการให้มันเพ่งอ่ะสงมันถึงเงียสงบไปแก้มันทำไมให้เพ่งดูลมให้เพ่งอยู่กับพุโทโธนี่มันจะไปแก้ทาไม ที่มีปัญหากินไม่ยอมเพ่งกันซะมากกว่ามันชอบไปเพ่งทีทวีกันมากกว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าเพ่งทีวีก็มาเพ่งดูรวมแทนนะคำ ถ, ถามจากคุณจีราพรหนูอยากจะบริจาค อ, อวัยวะเพราะเห็นว่าตายไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับเราแต่ทางคุณแม่ไม่ยอมให้บริจาคกรณีแบบ น, นี้หนูควรทำอย่างไรดีคะ ก็อย่าไปขัดใจแม่ก็แล้วกันถือว่าร่างกายนีย้ส่วนหนึ่งก็เป็นของแม่แม่เขาให้เรามาหรือจะไปบริจาค ก, ก็อย่าไปบอกแม่ก็ได้ไม่ต้องไปบอกไงเวลาไปบริจาคเขาไม่ได้บอกว่าต้องให้แม่อนุ ญ, ญาตไม่ใช่เหรอต้องคนรับรองมีเหละก็คนอื่นรับรองได้ไม่ใช่ไม่ต้องพ่อกับแม่ก็ได้หาคนที่เขาเซ็นให้แต่การบริจาค ก, ก็ไม่ได้บุญนะถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่ยังไม่ตาย เช่นเอาไตาไปเลยอ่ะเขาอยากจะได้ตายก็ตัดไปเลยเอาตาก็เาไปเลยถ้าตายแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรหรือเปล่า mm hmm. เราจะไม่รู้เสร็จอะไรไงไอเราตายไปนี้เราไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเราแล้ว mm hmm. แล้วก็เหมือนกับไม่ ไ, มได้ให้ให้เพราะว่าจําใจให้ถูกบังคับให้อย่างนี้มันต้องให้ด้วยความยินดี mm hmm. เอาศัยเมื่อก่อนยังไม่ได้ให้เ <c oughs> พียงแต่สัญญาเฉยๆนั่นเอง นอนเป็นผักไปแล้วยังไม่ตายอ่าถ้ายังไม่ตายแล้วบอกเขาบอกเอาไปเลยยอมตายอ่าอยากจะได้อะไรก็ควักไปเลยอยากจะได้หัวใจก็เอาไปเลยแต่หมอเขาก็ไม่ทำเลยหรอกเพราะเดี๋ยวผิดกฎหมายเพราะถือว่าไปฆ่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาเอาอวัยวะของคนตายเท่านั้นนั่นคนตายก็ไม่ได้เป็นสมบัติของของเราแล้ว เวลาร่างกายนี้ตายไปไม่ถือว่าเป็นสมบัติของเราแล้วหลังจากนั้นไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่เวลาเรามีชีวิตอยู่นี้ให้ไปรู้สึกมีความรู้สึกไหมเวลาเราบริจากให้ตายตายของเราให้กับพี่หรือแม่หรือพ่อก้องตายเสียอย่างเงี้ยแล้วเร า, เราบริจราคได้เป็นประโยชน์แต่ไม่มีบุญไม่มีความรู้สึกเราไม่รู้สึกว่าเราได้เสียสละอะไรนะมันต้อง เสียสละตอนที่เรามีชีวิตยอยู่เช่นตอนนี้ยยมเอาเงินมาให้เนี่ยมันรู้สึกไงเวลาโยมตายไปคนอื่นเ อ, เอาเงินมาให้แทนเนี่ยโยมรู้สึกไหมใช่ไหมความรู้สึกนี้เรียกก็บุญความรู้สึกมีความสุขเนี่ยเป็นบุญงั้นคุณไม่ได้บุญคุณไม่รู้สึกอะไรถ้าอยากจะได้บุญก็ทําตอนที่ยังไม่ตายให้ตอนที่ยังไม่ตาย ให้แบบให้ขาจากเราไปเลยไม่ใช่เพียงแต่ทําสัญญาว่าจะให้เวลาเราตายไปแล้วอย่างนี้ยังเป็นเพียงแต่ทาสัญญาบอกเจตนาเท่านั้นเองแต่กรรมยังไม่เกิดบุญยังไม่เกิดการกระทํายังไม่เกิดผลยังไม่เกิดกับเราพอเราตายไปแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนทําเองแล้วคนอื่นทํามันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราแต่คนที่อยู่นี่ก็ยังได้รับประโยชน์จากอา ว, วัยวะอยู่ เย็นต่อชีวิตให้เขายาวไปอีกหน่อยก็เท่านั้นเองหรือว่าเอาไปให้นักศึกษาแพทย์ก็ศึกษาก็เป็นเขาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับร่างกายเพื่อที่จะได้เอาไปดูแลรักษาร่างกายต่อไปแต่ประโยชน์ทางร่างกายมันก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีเปลี่ยนตายไปมันก็อยู่ได้แค่สิบยี่สิบปีเดี๋ยวมันก็ตายเปลี่นหัวใจเปลี่นอะไรเดี๋ยวมันก็อยู่ได้ไม่นานมันก็ตายไปอยู่ดี เพียงแต่บอกให้ทราบว่าไม่ได้บุญแต่ได้ประโยชน์การบริจาค ร, ร่างกายตอนที่เราตายไปแล้วให้คนอื่นไปแต่ตอนที่เราอยู่นี่ยังไม่ให้ใครยังไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นคนเขาบริจาคไตนี่เขาได้บุญเยอะเพราะเขามีความรู้สึกมีความสุขที่เขาได้สละ เอาวิญญาณของเขาเพื่อให้คนอื่นได้มีชีวิตยอยู่ต่อไปเหมือนกับโยมบริจาคเงินเพือซื้ออาหารใส่บาตรนี่ยยงก็เหมือนกับให้ชีวิตพระต่อชีวิตให้วันหนึ่งใช่ไหมใส่บาตรพระพระก็เลยอยู่ได้ต่ออีกวันหนึ่งถ้าโยมไม่ใส่บาตรก็ตายแต่ถ้าสั่งเสียไม่สั่งว่าลูกเวลาแม่ตายแล้วลูกเอาเงินนี้ไปใส่บาตรนะโยมก็ไม่รู้ว่าลูกเอาไปใส่หรือเปล่า มางทีรูปมันเดิมก็ได้หรือว่าแม่ตายไปแล้วก็ไม่สนใจแล้วพ อ, พอดีต้องการใช้เงินซื้อรถคันใหม่ก็เลยเอาไป <c oughs> พระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยบอกว่าบางคนเนี่ยอ่าอยู่ผ่านการอาจจะเคยผ่านการปฏิบัติในชาติที่แล้วมาแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีเขามาถึงเขาก็เลยไประดับปัญญาเลยแต่บางคนเนี่ยที่อาจจะมีปฏิบัติมาบ้างแล้ว แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราถึงระดับที่จะเจริญปัญญาโดยที่ไม่ต้องมาปฏิบัติแล้วอะไรนี้ครับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็เรากำลังเจริญปัญญากันอยู่เนี่้ยถ้าเราถึงระดับที่บรรลุได้ก็บรรลุกันไปหมดแล้วนี้ที่ไม่บรรลุก็เพราะว่ามันยังมันยังไม่มีภาชนะที่จะเสริมปัญญาไม่พอยังศีลยังไม่บริสุทธิ์สมาธิยังไม่เต็มที่มันก็ตัดไม่ได้ ก็เพจนี้ทั้งวันทุกวันก็บอกให้ตัวเดียวนะคือความอยากนะนะมันก็ยังอยากอยู่นั่นแหละใช่ไหมหยุดความอยากไม่ได้ถ้าคนที่มีปัญญาจริงๆเออความอยากเป็นภัยกับเราเราเก็บมันไว้ทําไมนะก็หยุดอยากเลยถ้าหยุดได้ก็แสดงว่ามีบรมารมีบา ร, รมีเก่าเยอะที่พระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกๆนี่ยพวกที่ฟังนี้เขามีบา ร, รมีเก่าเยอะปัญจวัจวกีนี้เขามีศีลบริสุทธิ์เขามีสมาธิแล้ว เระวจนะบอกว่าให้ตัดความอยากใช่ไหมมันก็บรรลุได้ <ทำ S 1> าถามวนะ่าหลังจากคุณนุษอย่างนี้การบริจาคโลหิต จ, จะดีกว่าใช่ไหมคะเออโลหิตเนี่ยใช้ได้เพราะว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเจนเวลาผ่าตัดหรือมีคนเสียเลือดมากเราต้องการโลหิตเนี่ยให้โลหิตเขาก็เท่ากับเหมือนกับให้อวัยวะเลือดก็เป็นอวัยวะอย่าง อาการสามสิบสองเนี่ยโลหิตก็เป็นอาการหนึ่งในอาการสามสิบสองอย่างเคยพระอาจารย์เคยบอกว่าอย่างการบริจาร่างกายแล้วมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าอาถวายตัวหรือบริจาร่างกายตัวเนี่ยเพื่อธนุบรุมพระพุทธศาสนาทํางานทำอะไรที่ก็เหมือนกันแหรอครับใช่ก็รับใช้ผู้อื่นไงบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นเหมือนกับบริจา克拉งกายเลยเหรอครับอาจารยจะเหมือนไม่เหมือนก็ไม่รู้แต่มันได้บุญเหมือนกัน ได้บุญบุญมีสิทธิ์ประกรันไงข้อหนึ่งก็คือการรับใช้ผู้อื่นใช้ไปเลี้ยงพระป่วยอย่างนี้ก็ได้บุญเลี้ยงดูพระป่วยพระเจ้าบอกเท่ากันได้เร็กพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระนี่ก็ถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเห็นใครไปเลี้ยงพระนี่ก็ถือว่าทําหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าเลี้ยงเลี้ยงลูกของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าได้ช่วยพระพุทธเจ้าโดยตรง แต่มีคนเยอะครับอาจารย์ที่ชอบคิดว่าเราเนี่ยเกิดมาจนแล้วจะคิดว่าต้นทุนชีวิตต่ำเพราะต้นทุนชีวิตต่ำเนี่ย<ม>ทําบุญก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปนั่งสมาธิก็ไม่ได้เหมือนกับว่าสังคมไม่ต้อนรับเขาอะไรเงี้ยครับราอาจารย์เขาจะไม่ค่อยเข้าใจครับเขาคิดแบบคนกิเลสคิดไงมีน้อยก็ทาน้อยสเราก็ไปทาวัดที่คนคนน้น้อยทาเราไม่ต้องไปทาวัดที่คน ทำเยอะๆันเช่นไปวัดธรรมกายที่ต้องถวายครั้งละหมื่นแสนนี้เราถวายไม่ได้เราก็ไปจะได้ไม่สงสัยอันนี้ไม่ได้ว่ายกตัวอย่างไม่อ่าไม่เป็นไรก็ไปทำวัดที่รลห้าบาทสิบาทได้ก็ไปทำที่นั่นก็ได้แล้วมาได้เราอย่าไปคิดอย่างนั้น แม้แต่ข้าวทัพทีหนึ่งก็เป็นบุญยงในในพุทธการมีชายคนหนึ่งอยากจะบวชพระพุทธเจ้าก็ถามว่าชายคนนี้เขาทาบุญกับพบระพุทธศาสนามาบ้างหรือเปล่า พ, บ พ, บพระสาวรีบบุตรว่าเคยชายคนนี้เคยใส่ใส่บาทให้ข้าพระจ้าหนึ่งทัพพีพระเจ้าวังเงี้ยโอเคเป็นคนมีบุญกับาศาสนาบวชให้เขาได้แม้แต่ข้าวทัพทีเดียวก็มีมีประโยชน์มีคุณนั้นอย่าไปอย่าไปคิดว่าเรา มีน้อยแล้วทําน้อยเราจะไม่ได้บุญคนทุกคนเนี่ยทำมากทำน้อยนี่ได้ความรู้สึกทางใจนี่มันไม่ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของเงินที่เราทําคือมันอยู่ที่สัดส่วนของเงินที่เรามีสมมติว่าเรามีเงินแค่ร้อยบาทเนี้ยเราทำห้าสิบาทเนี่ยเท่ากับเราทําไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเรามีร้อยล้านเนี่ยเราทําแค่ล้านเดียวนี่เราทําแค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นเอง ถ้าอยากจะได้เท่ากับคนที่ทำห้าสิบบาทก็ต้องทำห้าสิบล้านอ่ ะ, อะมาททำครึ่งหนึ่งไงใช่มเพราะนั้นความรู้สึกของใจคนทำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่สัดส่วนของเงินของตนที่มีอยู่ถ้าสละครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกได้บุญขนาดนั้นถ้าคนมีร้อยหนึ่งทำห้าสิบบาทนี้เขาก็แบกสละไปครึ่งหนึ่งแล้วคนที่อยากจะได้ความรู้สึกแบบนี้ ถ้ามีร0 0ยล้านก็ต้องสละ50ล้านนะมันถึงจะรู้สึกอย่างนั้นอันนี้พูดถึงความรู้สึกทางใจนะแต่ประโยชน์ที่ทำนี้มันก็ต่างกันทำาสิบาทมันก็ซื้อข้าวใส่บาทได้ทท่านึงถ้าทำห้าิบล้านก็อาจจะไปสร้างวัดได้อันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้สูอีกอย่างถ้าหน้ากลับมาเกิดคนที่ห้าหบาทก็ จ, จะได้1ิบเท่าของหิบบาทก็ได้ห้ารอคนที่ทำหาสิบล้านได้สิบเท่า ก็ได้ห้าร้อยล้านอันนี้มันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งมันมีสองประเด็นต้องแยกเข้าใจไหมประเยนประเด็นคือความสุขใจนี้เท่ากันไปทําบุญที่วัดเดียวกันคนนึ่งทำห้าสิบาทคนหนึ่งทำทนหน้าสิบล้านความรู้สึกในใจเท่ากันมีความสุขเท่ากันเพราะแบ่งสละครึ่งหนึ่งของตนที่มีอยู่อันนี้ได้บุญเท่ากันในความในใจบุญที่ได้ใ น, ในใจนี้เท่ากันความสุขใจอิบอ่บเอิบใจนี้เท่ากัน ถ้าเกิดคนที่มีร้อยทำร้อยนี่อาจจะสุขมากกว่าคนที่ทำห้าสิบล้านสิเราะก็ทําหมดเลยบมดแล้วก็ไปบวชเลยใช่ไหมแต่คนที่ทำห้าสิบล้านนี่ยังใบบวชไม่ได้เพราะยังเหลือห้าสิบล้านอออย่างสถานที่ที่พระาอาจารย์พพูดมาเพี้ยครับเขาจะเขาก็สอนถูกนะครับแต่ว่าเขาแค่คพูดไม่หมดไม่หมดแต่ว่าพูดว่ามีเทไหรทําให้หมดอแต่เขา หมดปุ๊บก็ไม่ต้องมาแล้วเพราะไม่มีเงินให้แล้วแต่ในขณะที่ทางฝ่ายการปฏิบัติมีเท่าไหร่ทำให้หมดนั่นคือสุดยอดแต่คุณต้องออกบวชต่ อ, อนั่นคือสุดยอดคนเลยนี่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินก็มีบุญอย่างอื่นที่จะทําได้อย่างที่อะไรนี้ก็ได้บุญเหมือนกันเอาไม่มาที่วัดก็ได้ไปทําที่สถานสงเคราะห์ไปทําที่พอเทคติ้งร่วมกับตันยูรับใช้สังคม น, นี่ก็เป็นบุญเหมือนกัน ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่มีแต่กำลังทรัพย์ก็เรามีกำลังกายเราก็เอากำลังกายนี้ไปให้แทนก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ผลตอบรับมันก็กลับกันให้เงินมันก็จะได้เงินกลับมาในอนาคตให้กำลังทรัพย์ต่อไปเวลาเดือดร้อนให้กำลังกายเวลาต่อไปเราเดือดร้อนไม่มีใครช่วยเหลือเราก็ก็มีคนจะมาช่วยเหลือเราแล้วแต่เราให้เราให้แล้วเราก็ย้ด้สิ่งนั้นกลับมา หมดแล้วยังมีไหมอ่าอ้มามก็เคียร์ให้หมดนะคำ ถ, ถามจากคุณแมนขอความหมายในมืดมีแจ้งในแจ้งมีมืดหมายถึงอะไรครับพระอาจารย์อ๋อมันมืดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแจ้งสิคำถามจากคุณจัง จริงหรือไม่คะที่มีธารวะผู้หมายนิพพานสามารถทํานายพยากรณ์บอกผู้อื่นได้ว่าเป็นอริยขั้นนั้นขั้นนี้คือการจะรู้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นอริยได้หรือไม่ก็เหมือนกับคนที่เรียนจบหนังสือมาคุยกับคนนั้นดูก็จะรู้ว่าเขาเรียนจบมาหรือเปล่าตอนเราจบม8เนี่ยเราก็จะคุยเรื่องความรู้ระดับม8ปดได้ถ้าเขาตอบคําถามของม8ไปได้ก็แสดงว่าเขายังเรียนไม่ถึง แต่ถ้าเขาตอบได้ก็แสดงว่าเ้าถึงหรือเขาเลยไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเขาไปสูงกว่าเราเราจะไม่รู้ถ้าเราจบม .8 แล้วก็จบปริญญาอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถทดสอบว่าเขาจบปริญญาได้หรือไม่เพราะเราไม่มีเครื่องวัดเนี่ยเครื่องวัดของเรามีแค่ม .8 <c oughs> แต่ถ้าเราจบปริญญาเอกเนี่ยเราคุยกับใครเนี่ยเราจะสามารถวัดได้หมดว่าคนนี้อยู่ระดับปริญญาตีโทรหรือเอกหรืออยู่ม .8 หรืออะไรเนี่ย ดังนั้นอยู่ที่ตัวเราผู้ที่จะรู้ว่าคนอื่นนี้บรรลุได้ไม่ตัวเองต้องบรรลุก่อนเมื่อบรรลุแล้วก็คุยกับเขาเพราะจะมีประเด็นที่ถ้ถามคนที่รู้บรรลุเท่านั้นที่จะรู้คนที่ไม่บรรลุนี้จะไม่รู้ <c oughs> แล้วเขา <c oughs> เขาเรียกสอบอารมณ์เเนนีี่ย่ยที่ครูบาอาจารย์สอบอารมณ์ก็สอบดูว่าตอนนี้จิตอยู่ในขั้นไหนแล้วพอครูบาอาจารย์แกล้งด่าหน่อยก็ร้องหม่มร้องไห้เสียหกเสียใจแล้วเนี่ยมันก็ รู้อยู่ข้้นไหนเลยใช่มครูบาอาจารย์ด่ายิ้มสาธุสาธุเจ้าอ่านั่นแหละบังดูนอะอานิ้จริง ล, งลองดูนะตอนนี้เตียงตัวเลยครต่อไปคำถามจากคุณสาวิกาเห็นตัวรู้ดับแล้วเกิดตัวรู้ใหม่ที่ใสสะอาด และมีพาลังเต็มรูปทําให้จิตตั้งมั่นและความสงบโยมควรทําอย่างไรต่ออีกคะคือความจริงสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ตัวรู้หรอกเพราะตัวรูม้มันไม่มันไม่มีวันดับตัวที่ดับนี่ก็แสดงว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นภาพของตัวรู้มากกว่าไม่ใช่ตัวรู้เองเขาเรียกว่านิมิตแล้วหลักไปเรียกว่าเป็นตัวรู้ความจริงตัวรู้ไม่มีวันดับ การนั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการไปดูอะไรเราต้องการให้อยู่กับลมหายใจและอยู่กับพุทโธแล้วมันจะได้พาเราเข้าสู่ความสงบความว่างอย่างแท้จริงถ้าไปนั่งหลับตาแล้วคอยดูว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาเงนี้นั่นไม่ได้ยังไงนันไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิแล้วไม่ได้ให้นั่งแบบนั้นแต่นั่งนี้ต้องพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวไม่ให้ไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็ไม่ให้ไปสนใจ อยู่ปปกับพุทโธไปจนกว่ามันวุบลงไปแล้วนิ่งสงบสบายว่างไม่มีความคิดไม่มีอะไรมีความอิ่มอย่างเดียวเป่างนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วก็นึก อ, อ, อะไรจะเกิดขึ้นมานา <laughs> นั่งนีมันไม่ใช่นั่งสมาธินั่งฝันเนี่ยพระอาจารย์แล้วเวลาหนูนั่งสมาธิาสงบอ่ะแล้วทาไมร่ามันกระตุกอ่ะ อ่ามันก็ตกก็เรื่องของมันเห็นมันจะกระตกกระตกเอ่ก็ก็ตกก็ให้รู้ว่ามันกระตกแค่ไหนเป็นทุกครั้งตอนสงบปุ๊บกระตกขึ้นมาเลยกระตกแป๊บหนึ่งแล้วก็นิ่งหรือว่าแล้วก็ตกไปเรื่อยๆนิ่งบางครั้งก็ตกใจวังวางครั้งเวลาจิตจะสงบเนี่ยมันมันอาจจะมีอาการแปลกๆได้แต่มันพอเกิดแล้วดับไปก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันให้มันให้มันสงบก็แล้วกันตอนแรกๆก็ตกใจพอหลังๆก็พยายามควบคุม มันอาจจะเป็นอาจจะเป็นสไตล์ของเราไงเวลาจะสงบต้องต้องกระตุกข้างนึ่งเราไม่ได้คิดนะคะเราไม่ได้คิดเรา็สไตล์ไปคิดอะไรเราไม่เชื่อเเยอะว่ากร่อนจะสงบโคตรสตล์รุ่นลายั้งสุดท้ายหมดแล้วยัง อ, อีกสองข้อคำถามจากคุณบุญชยัย <c oughs> การถือศีลห้าจะได้บุญมากน้อยกว่าการทําบุญแบบอื่นหรือเปล่าครับอันนี้ส่งของศีลห้าก็คือจะไม่ต้องไปเกิดในอบายดีกว่าทําบุญร้อยล้านพันล้านทํําทาบุญร้อยล้านพันล้านแต่ไม่รักษาศีลก็ยังต้องไปเกิดในอบายอยู่แต่ถ้าไม่ได้ทําบุญแม้แต่บาทเดียวแต่รักษาศีลห้าได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์ยากจนนะ เพราะไม่ได้ทำบุญแม้ตรบาทเดียวแต่ถ้าทำบุญด้วยรักษาศีลด้วยตายไปก็ไม่ต้องไปอบายไปไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาพอกลับมาก็จะมาเป็นเศรษฐีต่อ อ, อีกข้อหนึ่งคำถามจากคุณวาสนาถ้าเราทำสังฆทานให้คนตายด้วยพระพุทธรูปผ้าไตาและอาหารถ้าเขาได้รับและ แล้วเราจะได้บุญด้วยหรือเปล่าในสังฆทานชุดนี้ได้เราก็ได้สองส่วนเราได้บุญจากการทำทานแล้วเราก็เอาบุญที่เราได้จากการทำทานนี้ไปให้คนตายอีกต่อหนึ่งเราก็จะได้บุญสองต่อเหมือนกับที่เราได้รับผ้ามาแล้วเราก็เอาผ้าไปให้คนอื่นงนี้เราก็ได้บุญ อ, อีกต่อนึ่งแตทานที่จะเป็นผ้าแล้วเอาบุญไปให้เขาบุญนี้ก็เหมือนผ้า เราแบ่งบุญไปให้คนอื่นแล้วก็ได้บุญอีกต่อน mm hmm. ก็เลยได้สองเล่งทาบุญแล้วอุทิศบุญด้วยได้บุญที่เกิดจากการถวายสังฆทาน mm hmm. แล้วบุญนี้เราได้รับจากการสังฆทาน mm hmm. แล้วก็ไปให้กับคนตายอีกทีเราก็ได้บุญเพิ่มใน ก, กระทงหนึ่ง mm hmm. หมดแล้วใช่ไหม mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm hmm. ก็ขอให้ท่านจงแนวเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ